มันนิยมแน่นแต่เช้าเลยมีใครไม่เคยมาไหมมีไหมยเยอะนะเคยฟังซีดีไหมใครไม่เคยเลยไม่เคยฟังซีดีเลยมีไหมมี1มี2 3ง ส, มสไม่เคยฟังเลยนะทที่ไม่เคยอ่านหนังสือหลวงพ่อไม่เคยฟังซีดีเลยมีมีน้อยมีสองสมคน อถ้าเคยอ่านเคยฟังมาบ้างก็ง่ายขึ้นหน่อยความจริงสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะั้นมันไม่ได้ยากอะไรเพ่งแต่เนื้อหามันเยอะสิ่งที่สอนให้คือหลักของการปฏิบัติการปฏิบัติมีสองส่วนนะส่วนของสมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานเนี่ยทำไปเพื่อให้จิตใจมีความสุขมีความสงบมีความตั้งมั่นนะอีกส่วนหนึ่งคือวิปัสสนากรรมฐาน มีปัศนากรรมฐานเนี่ยทำไปเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจความจริงของมันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาผลที่ได้จากการที่เห็นความจริงก็คือจิตมันจะคลายความยึดถือในกายในใจออกไปกายกระใจมีอยู่นะแต่จิตไม่ยึดเมื่อจิตไม่ยึดถือแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับกายกระใจเนี่ยความทุกข์มันจะเข้ามาไม่ถึงใจ อย่างถ้าจิตไม่ยึดถือร่างกายนะร่างกายจะแก่จิตก็ไม่กลุ่มใจนะร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายจิตก็ไม่กลุ่มใจเพราะมันไม่ได้ยึดถือถ้ามันยึดถืออยู่ยังไม่ทันเป็นอะไรเลยคิดว่าจะเป็นก็กลุ่มใจละอย่างใครเคยไปตรวจร่างกายไปจำปีบ้างมีไหมสังเกตไหมวันที่จะไปตรวจมีความสุขไหมบางคนเริ่มอดข้าวก่อนนะเพื่อให้คอเลสเตอรอลน้อยลง ก็นั่งคิดนะว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแค่คิดก็กลุ่มใจละหรืออย่างผู้หญิงไปผ่านเนื้องอกใช่มระหว่างรอฟังผลว่าจะเป็นมะเร็งหรือเปล่ากลุ่มใจนะกลุ่มใจสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าเรารักเราห่วงแหนร่างกายนี้หรือเรารักที่จะเจอคนนี้เกลียดที่จะเจอคนนี้ อันนี้เป็นความทุกข์ทางใจนะความทุกข์มีสองอันมีทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางใจถ้าใจมันหมดความอยากหมดความดิ้นรนเนะเจอคนนี้ก็ได้ไม่เจอก็ได้อนะไรเงี้ยมันก็ไม่กลุ่มใจไม่ต้องเจอคนนี้หรือไม่เจอคนนี้ที่เราทํำมิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเพื่อวันหนึ่งเราจะไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจสมัยก่อนท่านพุทธทาสท่านพุทธทาสท่านสอนดีสอน ก็ไม่มีตัวกูของกูก็ไม่มีตัวกูของกูมันก็ไม่ทุกขนะ์ละเพราะทุกข์มันอยู่ที่กายทุกข์มันอยู่ที่ใจพอไม่ยึดถือกายไม่ยูดถือใจมันก็ไม่ทุกข์งั้นวิปัสสนาทาไปเนี่ยสุดท้ายเราจะได้ความพ้นทุกข์สมถะทำไปเราได้ความสุขเอาอะไรดีเอาสมถะสิ คนทั้งโลกเขาก็อยากได้แค่นั้นแหละแต่ความสุขในโลกไม่เที่ยงกรนะทั้งความสุขในฌานสมาบัติก็ไม่เที่ยงอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ทุกข์อีกพอยังทําสมาธิอยู่ก็มีความสุขนะจิตเคลื่อนเออกจยวสมาธิก็ทุกข์ใหม่เวลาจิตอยู่ในสมาธินะมีความเมตตาการุณาจิตเคลื่อนออกจยกสมาธินะโหดร้ายทารุณขีโมโหโทโส ยิ่งคนติดสมาธินะพอออกจากสมาธนะิอารมณ์ร้ายมากกว่าคนปกติเก็บกดนะเพราะงั้นเราชาวพุทธเราอย่าหยุดอยู่แค่สมถะนะสมถะดีนะมีประโยชน์เอาไว้เป็นที่พักผ่อนจิตใจให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงสมถะก็มีสองชนิดชนิดหนึ่งนะมุ่งไปที่ความสุขอย่างเดียวเลยอันนี้ค่อนข้างไรสาระนะเพราะว่าความสุขมันไม่ถาวร มีความสุขได้ประเดี๋ยวประเดาวความสุขก็หายไปสมาธิอีชนิดหนึ่งเนี่ยทไปเพื่อให้จิตตั้งมั่นให้จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เช่นเราท่องพุทโธพุทโธไปเราเห็นว่าพุทโธนี่เป็นสิ่งที่จิตคิดขึ้นมาจิตเป็นคนรู้พุทโธจิตเป็นคนท่องพุทโธจิตเป็นคนไปรู้พุทโธเวลาไปรู้ลมหายใจ เห็นร่างกายมันหายใจไปจิตเป็นคนรู้ว่าร่างกายหายใจไปดูท้องผองยุบนะเห็นร่างกายพองร่างกายยุบจิตเป็นคนดูว่าร่างกายผองร่างกายยุบมีจิตที่เป็นคนดูขึ้นมาเนี่ยสมถะชนิดที่ฝึกแล้วให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูสมถะชนิดนี้เกื้อกูลต่อการเจริญวิปัสสนาแต่สมถะชนิดที่ทาไปแล้วก็เคลิ้มเคลิมลืมเนื้อลืมตัวหรือว่ามีแต่ความสุข หรือไปเพ่งให้จิตนิ่งจิตแข็งจิตซึมจิตชื่อสมถะเหล่านั้นไม่เกื้อกูลกับการทำนิพัานาเรียกว่ามิจฉาสมาธินะสมถะก็มีสองแบบงั้นถ้าเลือกทำนะเลือกทำได้ค่อยๆฝึกให้ใจมันมีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาใจของคนในโลกนี้ไม่มีใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรอก มีแต่ใจของผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลงนะสมัยหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะตอนนั้นเราพูดธรรมะซื่อๆในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวในโลกมีแต่คนหลงคนที่รู้สึกตัวนับตัวได้เลยมีไม่กี่คนพูดใหม่ๆบางคนโมโหนะหลวงพ่อเคยบอกผู้หญิงคนหนึ่งรู้สึกตัวไว้กับสะบัดใส่ล้วสะบัดหน้าเลยดิฉันรู้สึกตัวตลอดเวลาเลย <c oughs> เราเห็นแล้วสยดสยองนะถ้ามาเวลาจะพูดประโยคนี้ต้องมองให้ดีๆกันเดี๋ยวมือเดี๋ยวเท้าล อ, อยมามาถึงวันนี้เราพูดเต็มปากเต็มคำแล้วในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกอาศัยได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะใจเลยตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาช่วงนี้เยอะมีเป็นพันๆคนแล้วที่รู้สึกตัวขึ้นมานับจำนวนไม่ท้วน คนที่เรียนกับหลวงพ่อช่วงหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกตัวขึ้นมาเต้มไปหมดเลยถ้าใครเขามีหูตาว่องไวนะเขาจะรู้สึกได้ว่าจิตใจของคนที่ตื่นขึ้นมาแนละ้วมันสว่างสวนะมันรู้มันตื่นมันเบิกบานมันสว่างไสวจิตใจของคนที่ไม่รู้สึกตัวมืนมื ด, ม, ดมัวมวหนักหนักแน่นแน่นซึมซึมทื่อมีความสุขก็สุขแบบฉับฉวยนี่อาศัยได้ฟังธรรม ใจค่อยตื่นขึ้นมานะบางคนไปตามวัดนะคนที่เขาดูออกเขามองปลาดเขารู้เลยว่าลูกศิษย์ใครนี่พูดไม่ได้พูดด้วยมานะอัตตานะแต่พูดด้วยแฟกล้วนๆเลยอย่างบางคนไปหาหลวงพ่อคําเขียนหนะลวงพ่อคำเขียนบอกเห็นหน้าลูกศิษย์ก็รู้ว่าอาจารย์คือใครแล้วเพราะอะไรเพราะพวกเราตื่นขึ้นมาคนที่ตื่นขึ้นมาในโลกนี้น้อยมากนะน้อยจริงๆเลย คนในโลกนี้ตื่นเฉพาะร่างกายแต่ใจหลับใจฝันอยู่ตลอดเวลาเลยใจไม่ตื่นใจไม่ตั้งมั่นใจไม่มีสัมมาสมาธิขนาดลงมือปฏิบัตินะก็ไปเพ่งรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจรู้ท้องก็เพ่งท้องรู้เท้าก็เพ่งเท้ารู้อิริยาบถสีก็เพ่งร่างกายทั้งร่างกายนะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่การรู้ จิตไม่ได้ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์แต่จิตไหลเข้าไปแช่ที่อารมณ์เช่นไหลไปอยู่ที่เท้าที่มือที่ท้องที่ลมหายใจจิตมันไหลไปจิตที่ไหลไปจิตที่หลงไปคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นขาดสัมมาสมาธิที่แท้จริงจิตที่หลงไปไหลไปนะหลวงปู่ดูลเรื่องจิตส่งออกนอกจิตส่งออกนอกก็เป็นสมูทัยคือส่งออกไปแล้วไปสร้างพบสร้างชาติส่งไปทางานนั่นเอง งั้นท่านถึงบอกว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตออกนอกเป็นทุกข์คนในโลกจิตออกนอกตลอดเลยออกไปทางไหนออกได้หกทางเลยช่องทางที่จิตจะออกนอกนะมีตั้งหกทางหลงไปดูนี่ออกทางตาหลงไปฟังออกทางหูหลงไปดมกลิ่นออกทางจมูกหลงไปลิ้มรสออกทางลิ้น หลงไปรู้กระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่ออกไปทางกายหนะลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งนี่ออกทางใจนี่เราหลงทั้งวันนะช่องทางที่หลงมันมีเยอะแยะไปหมดเลยนะคนที่มาใหม่ๆนะลองดูลองตั้งใจนะอย่าเข้าสมาธินะถอยออกมาแล ต, ตั้งใจช่วยกันดูพระพุทธรูปดูตรงยอดของท่านนะดูซิว่ายอดทั้งหมดมีกี่แฉก เห็นยอดที่เห็นรวมกันเป็นหนึ่งอ่ะจริงๆมีหลายแฉกแล้วยอดเขาไม่ได้ตรงขึ้นไปนะแต่เอียงเอียงเอียงอยู่ข้างหนึ่งเราสังเกตดูนะตอนที่เราตั้งใจไปดูพระเนี่ยเราลืมกายลืมใจตัวเองนี่เรียกว่าหลงไปดูในขณะที่เราดูพระพุทธรูปร่างกายเรามีอยู่แต่เราลืมมันไปจิตใจเรามีอยู่เราก็ลืมมันไปนี่เป็นตัวอย่างการหลงทางตานะ ลงทางใจเช่นหลงไปคิดสังเกตไหม Vay <c oughs> เวลาที่เราคิดเนะี่ยเร า, ารู้เรื่องที่คิดบ้างไม่รู้บ้างแต่เวลาที่เราหลงไปคิดนะเราจะลืมกายลืมใจค่อยสังเกตนะว่าตอนที่เราคิดสังเกตไหมตอนที่เราคิดเราลืมกายลืมใจสังเกตไหมมันไหลไวืบไปนะมันลืมกายลืมใจเนี่ยค่อยๆดูนะค่อยๆสังเกตแล้วเราจะพบความจริง ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราแทบไม่เคยรู้สึกตัวเลยเดี๋ยก็หลงไปดูเดี๋ยก็หลงไปฟังเดี๋ยวก็ห ล, ล, ลงไปคิดหลงไปฟังนะเช่นเราเห็นคนสองคนนะคนหนึ่งเป็นศัตรูเราคนหนึ่งเป็นเพื่อนเราสองคนนี้กำลังคุยกันเราจะสนใจมากเลยว่ามันคุยอะไรกันรู้สึกไหมสนใจไหมถ้าเคสแบบนี้สนใจใช่ไหมถ้าแฟนเราไปคุยกับผู้หญิงสวยๆสักคน เราจะสนใจฟังถ้าไปคุยกับยายปลาอะไรสักคนแล้วก็ดูเราก็ผ่านผ่านไม่สนใจสังเกตัม้มตอนที่เราสนใจไปฟังเราจะลืมตัวเราเองเราจะดูเขาตลอดเวลานะอย่างบางคนนะจิตใจเ อ, อื้อเฟือเผื่อแผ่เห็นคนข้างบ้านคุยกันนะอยากได้ยินเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยากได้ยินว่าเขาคุยอะไรกันเผื่อเขาทุกร้อนจะได้ไปช่วยช่วยซ้าเติม ขณะที่เราตั้งใจฟังคนอื่นพูดนะเราจะเลืมกายลืมใจเมื่อไรลืมกายเมื่อไรลืมใจเมื่อ น, นั้นแหละเรียกว่าขาดสติคนในโลกนี้ขาดสติคนในโลกไม่มีสติสติที่รู้กายรู้ใจนี่มีชื่อเฉพาะนะชื่อสติปัฏฐานถ้าคนไหนทําสติปัฏฐานอยู่พระพุทธเจ้าเคยสอนเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีต้องได้ผลบ้างนะ อาจจะได้เป็นพระระหันเป็นพระนาคารุ่นเรานะั้นได้โซดาก็บุญละอินทรีเราอ่อนกว่าคนยุคพุทธกาลถ้าเราจเจริญสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยนะเจ็ดวันเจ็เดือนเจ็ดปีอาจจะได้โสดาบ้างนะบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ที่ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ดูจริงวันหนึ่งนะ 2, 3, ั้นดูสองสามทีแล้วก็บอกว่านับมาดูเริ่มเริ่มพบหลวงพ่อตั้งแต่ปี 4-1 หนึ่งนี่ ดูมาสิบกว่าปีแล้วความจริงไม่ได้ดูหรอกวันหนึ่งดูได้ไม่กี่นาทีนับจำนวนเวลาแล้วเหลือนิดเดียวเอาเวลาไปหลงหมดเลยแต่ถ้ามีสติรู้กายรู้ใจจริงๆนะชั่วโมงบินมากๆนะมันต้องได้อะไรบ้างได้อะไรได้เห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าเราทำมิปัสสนามิปัสสนามากๆนะนจะลาความเห็นผิด เบื้องต้นละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราเบื้องปลายละความยึดถือในใกายในใจเบื้องต้นละความเห็นผิดเบื้องปลายละความยึดถือละอุปาทานเราพน้นเราก็พ้นทุกข์ไปเพรานพวกเราค่อยๆฝึกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาถ้าเรายัางไม่ตื่นขึ้นมาเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้ เมื่อไม่สามารถรู้กายตัวเองรู้ใจตัวเองได้ก็ไม่สามารถทำวิปั ส, สนาได้คือไม่สามารถเห็นความจริงคือไตรลักษณ์ของกายของใจได้ดงั้นจุดเริ่มต้นเลยถ้าอยากภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆนะหัดรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนอย่าเอาแต่หลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปกระทบสัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกปรุงแต่งจะห้ามเลยก็ห้ามยาก มีตามันก็ต้องดูมีหูมันก็ต้องฟังเอาเข้าจริงนะฝึกอันเดียวก็พอถ้าใจหลงไปคิดแล้วรู้ทันใจหลงไปคิดแล้วก็รู้ว่าหลงไปแล้วใจหลงไปคิดแล้วก็รู้ว่าหลงไปแล้วเอาอันเดียวแค่นี้ก็พอไม่ต้องรู้ถึงหกถวานหรอกมันมากไปมากไปแล้วยากไปสติของเราไม่อัตโนมัติถึงขนาด น, นั้นสติเรายัางน้อยสมาธิเรายัางน้อยเราเอาของที่เกิดบ่อยที่สุด หลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ hm ้มรสหลงไปกระทบสัมผัสทางกายก็หลงไปคิดนีพวกเราสังเกตไหมหลงคิดนี่มีมากที่สุดหลงไปดูนี่มากที่สองนะยกเว็นคนตาบอดคนตาบอดหลงคิดเยอะที่ส <c aning> ุดเนี่ยหลงไปฟังเป็นอันดับสองของพวกเราที่มีหูมีตาปกติเราจะหลงไปคิดเป็นอันดับหนึ่งหลงไปดูเป็นอันดับสองหลงไปฟังเป็นอันดับสนะหลงไปลิ้มรสนี่มีน้อย ถามว่าน้ำลายกระทบลิ้นน้ำลายมีรสไหมน้ำลายมีนะแต่ซ้ำซากจำเจชนไม่รู้จักรสของมันเหมือนเราอยู่บ้านใกล้โรงงานทำปลาปลาปลนเหม็นตลอดปีไม่เหม็นนะหรือเรามีอาชีพเป็นสับเปลือหรืออยู่นิติเวชอย่างคุณหมอพอันทิพย์เนี่ยแกได้กลิ่นศพก็คงเฉยเฉยเนาะ <c oughs> มีเคล็ดลับ ถ้าพวกเราไปเจอศพเหม็นๆนะหายใจให้เต็มปอดไว้หนึ่งครั้ง <c oughs> หลังจากนั้นจะไม่ค่อยเหม็นละดัง <c oughs> นั้นพอเคยชินนะมันจะไม่ค่อยรู้สึกอย่างลิ้นกระทบน้ำลายทั้งวันนะลิ้นไม่ไม่รู้รสน้ำลายงั้นสิ่งที่มันหลงบ่อยนะหลงไปคิดนีม่มากที่สุดหลงไปดูหลงไปฟังหลงอื่นๆมีเล็กๆน้อยๆนะ เวลาจะเรียนทั้งทีเอาตัวใหญ่ๆไว้ก่อนนะดูใจที่หลงไปคิดใจเราหลงไปคิดทั้งวันเดี๋ยวก็คิดแวบเดี๋ยวก็คิดแวบขนาดตาเรามองเห็นพอตาเรามองเห็นรูปใจก็คิดพอหูได้ยินเสียงใจเราก็คิดจมูกได้กลิน่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจก็คิดไม่มีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เฉยๆใจก็คิดได้นะ พวกเราเคยเป็นไหมอยู่ดีๆนะหน้าคนหนึ่งก็ลอยขึ้นมาเราไม่ได้เจตนาจะนึกถึงนะอยู่ๆก็นึกถึงขึ้นมาพอนึกขึ้นมาได้ก็ใจก็คิดต่อเลยคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีนะบางคนน้ามโผล่ขึ้นมาปุ๊บโถสะขึ้นเลยอีนังคนนี้เมื่อสิบปีก่อนเคยด่าเราหนึ่งครั้งนะใจอยู่ๆก็คิดได้นะไม่จําเป็นว่าตาต้องมองเห็นหรอกเรียกว่าจิตมันขึ้นวิถีขึ้นทางมโนทวารเลยก็ได้ ขึ้นทางตาก็ได้ขึ้นทางหูก็ได้พอตามองเห็นรูปเช่นเห็นสาวสวยใช่ไหมจิตมันชอบขึ้นมาจิตมันทํางานต่อเห็นหมาบ้าวิ่งมาใช่ไหมจิตทํางานต่อจิตกลัวเพราะฉะนั้นจิตนั้นมันทํางานตลอดเวลาเลยตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์นะบางครั้งจิตก็ทํางานถ้าอารมณ์นั้นแรงพอถ้าอารมณ์เบาๆอย่างเห็นคนเยอะๆไม่รู้จักสักคนนะ่ะใจก็ไม่ปรุงต่อเห็นเนื้อจบไปเท่า น, นั้นเอง แต่ถ้าเห็นว่าคนนี้สําคัญกับเรานะแต่ทางบวกหรือทางลบขึ้นมาใจก็ปลุงต่อดังนั้นใจนี้ทำงานหนักที่สุดเลยอยู่ตัวคนเดียวก็ทํางานได้รับช่วงอารมณ์ต่อจากตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้ดังนั้นถ้าเราหารู้ทันการทํางานของจิตนะเราจะสามารถเจริญวิปัสสนาได้ทั้งวันเลยทำกรรมฐานได้ทั้งวันเลยฟั่มหลงคิดทั้งวันที่หลวงพ่อบอกไว้ในโลกไม่มีคนรู้สึกตัว ในโลกนั้นเต็มด้วยคนหลงคิดหลงคิดทั้งวันให้เราค่อยๆหัดสังเกตใจที่หลงคิดไปพอใจหลงคิดแวบไปรู้ทันนะใจหลงคิดแวบรู้ทันไม่ห้ามไม่ห้ามนะไม่ห้ามใจคิดเพราะจิตมีหน้าที่คิดก็ปล่อยให้เขาคิดเพียงแต่คิดแล้วเราหลงตามไปลืมเนื้อลืมตัวขาสติอนั้นไม่ดีปล่อยให้เขาคิดนะแล้วรู้ทันว่าจิตคิด เมื่อไหรจิตคิดแล้วรู้ทันว่าจิตคิดนะจิตจะตื่นขึ้นโดยอัตโนมัติความคิดก็คือความฝันนั่นเองความคิดคือความฝันตอนตื่นความฝันคืออะไรความฝันก็คือความคิดตอนนอนหลับลักษณะเดียวกันเลยฝันกับคิดจิตขึ้นวิถีขึ้นมาทํางานแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นใจในโลกมนุษย์นี้คิดตลอดก็คือฝันตลอดฝันหรือได้ก็คือไม่ตื่น ถ้าเมื่อไรจิตตื่นจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาสู่โลกของความรู้สึกตัวสามารถรู้สึกกายรู้สึกใจได้ฉนั้นเราค่อยๆฝึกนะให้รู้ทันจิตที่ลงไปคิดหลวงปู่ดูลยึงสอนบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้คิดไปเรื่อยๆนะไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้กายไม่รู้ใจไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องที่คิดนะ คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้คําว่าไม่รู้เนี่ยคือไม่รู้กายไม่รู้ใจตัวเองเวลาไปคิดก็รู้เรื่องที่คิดเวลาไปดูก็เห็นคนอื่นไม่ได้เห็นตัวเองเวลาฟังนะก็ฟังคนอื่นไม่ได้ฟังตัวเองเวลาดมก็ชอบไปดมคนอื่นนะไม่ค่อยดมตัวเองหรอกลิ้มรถนี่คงลิ้มไม่ได้เนาะหรือจะเลียมือเลียเท้าเล่นเคยเห็นหมามันทําไม่เคยเห็นคนทํา เงื่อ ใ, ใจเราลงนะลงไปเรื่อยเรื่อยค่อยๆดูว่ถ้าเมาื่อไรจิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดก็ไม่รู้กายไม่รู้ใจเมื่อไร่ไม่รู้กายไม่รู้ใจไม่สามารถจะขึ้นไปสู่การทํำวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาคือการเห็นความจริงของกายของใจครูบาอาจารย์อีกบางองค์อย่างหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นอาจารย์หลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อเทียนมรณาภาพไปแล้ววันนี้มีหลวงพ่อคําเขียน หลวงพ่อเตียนสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติถ้ารู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตคิดนั้นถึงไม่ปฏิบัติก็รู้หมามันคิดหมาก็รู้ว่าตัวเองคิดอะไรไม่อาจสื่อจั์แต่ในโลกนั้นเป็นเรื่องแปลกมากเลยจิตแอบไปคิดไม่เคยมีคนรู้เลยว่าจิตแอบไปคิดรู้แต่เรื่องที่คิด เรียกว่าสมมุติบัญญัติคือเรื่องราวที่คิดเนี่ยปิดบังปรมัตดคือความจริงเอาไว้หมดเลยเวลาเราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดไม่ได้อยู่ในโลกของความจริงหลวงพ่อเทียนถึงบอกถ้ารู้ว่าจิตคิดนะจะได้ต้นทางทันทีที่รู้ว่าจิตคิดจิตก็หลุดออกจากโลกของความคิดจิตก็ตื่นขึ้นมาคําว่าจิตที่ตื่นก็คือจิตที่สามารถรู้กายรู้ใจได้ตื่นขึ้นมารู้กายรู้ใจได้นะไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิด สังเกตไหมตอนนี้หลงไปอยู่ในโลกของความคิดทั้งห้องเลยรู้สึกไหมว่าหลงไปคิดทั้งนั้นเลยตอนนี้มีสองพวกพวกหนึ่งหลงไปคิดพวกหนึ่งเพ่งเอาไว้นะ น, นี่มีสองพวกนะพอๆกันปริมาณพอๆกันนะแต่ถ้าหลวงพ่อนิ่งนานกว่านี้นะพวกที่เพ่งก็จะนิ่งลึกกว่านี้พวกที่ฟุ้งก็จะฟุ้งมากกว่านี้นะทดลองดู สังเกตไหมพวกที่กลัวฟุ้งเนี่ยมันหันกลับมาเพ่งกันใหญ่เลยนะแต่ถ้าทิ้งนานกว่านี้หมดแรงเพ่งนะจะฟุ้งเป็นแถบเลยนะงั้นเมื่อไหร่นะจิตเราหลงไปหลงลืมไนดะ้ลืมตัวลืมกายลืมใจหลงไปนโลกของความคิดเรือฟุ้งซ่านไปบางคนกลัวฟุ้งซ่านใช้เพ่งเอาไว้ให้จิตนิง่งหลงไปเลยฟุ้งซ่านไปเลยนะทำหิปัสนาไม่ได้เพราะลืมกายลืมใจ เพ่งเอาไว้ก็ทำมิปัสนาไม่ได้เพราะกายก็นิ่งใจก็นิ่งเมื่อกายนิ่งใจนิ่งกายกับใจไม่แสดงไตรลักษณ์มิพัฒนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเอาพวกเราช่วยกันเพ่งทุกคนเพ่งตัวเองนะอย่ามาเพ่งหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อละลายไปเพ่งอะไรก็ได้เพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งหัวแม่มือเพ่งท้องอ่าช่วยกันเพ่งเข้าเพ่งแล้วรู้สึกไหมอ่ะพอ ตอนเพ่งรู้สึกไหมว่ามันนิ่งนะมันนิ่งมันไม่แสดงใจรักนะจิตของคนปกติเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่จิตของคนที่เพ่งนะมันนิ่งไม่เคลื่อนไหวไม่เปลี่ยนแปลงร่างกายก็แข็งๆบางคนเพ่งรุนแรงนะคอเคล็ดเลยบางคนเพ่งจนหลังเคล็ดบางคนไปเพ่งใส่สมองนะเป็นอัลไซเมอร์สมองไม่ทํางานไปเลยเสื่อม เงี้เพ่งมากๆก็อันตรายนะ้ไปเพ่งใส่ตรงไหนเข้าตรงนั้นก็บอบช้ำนะเพ่งแล้วก็กายเพ่งกายนะกายบอบช้านะเพ่งจิตจิตึ้นิ่งนิ่งทื่อๆไม่สามารถทํางานได้อันนั้นไม่ใช่วิปัสนาเพราะฉนั้นวิปัสนาเนี่ยไม่ใช่การรู้ลมหายใจวิปัสนาไม่ใช่การดูท้องผ่องยุบวิปัสนาไม่ใช่การรู้มือที่เคลื่อนไหวไปมาวิปัสนาไม่ใช่การดูเท้ารู้แต่เท้าที่ยกที่ย่างที่เหยียบ มิปัสนาจะต้องเห็นความเป็นตร ล, ลักษ์ของกายของใจนะถ้าจิตเราไม่ได้ไปเพ่งให้นิ่งเวลาหายใจอยู่เนี่ยเราจะเห็นในร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากจิตรู้จิตตื่นจิตเบิกบานขึ้นมาจะเห็นว่าร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นว่าร่างกายที่พองร่างกายที่ยุบอยู่ไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นคนดูจิตอยู่ต่างหากจิตสบายบายรู้ไปอย่างสบายๆ ถ้าจิตไปเพ่งนะไม่ไม่มีมิปัสนานิ่งไปหมดแต่ถ้าไม่เพ่งมันจะเห็นในร่างกายเดี๋ยวก็พองเดี๋ยวก็ยุบนี่มันไม่เที่ยงพองก็อยู่ไม่นานยุบก็อยู่ไม่นานนี่มันเป็นทุกข์มันพองมันยุบตัวที่พองตัวที่ยุบเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นวัตถุนี่อย่างนี้เรียกว่าทำมิปัสนา เดินจงกรมนะก็เห็นร่างกายมันเดินร่างกายมันยืนร่างกายมันนั่งร่างกายมันนอนเนี่ยส่วนรู้อิริยาบถ4ไม่ใช่เรายืนเราเดินเร า, านั่งเรานอนนะเห็นร่างกายมันทำงานไปไม่มีเรานะหายใจออกหายใจเข้า <c oughs> เห็นร่างกายมันหายใจไม่ใช่เราหายใจร <c oughs> ่างกายมันหายใจออกร่างกายมันหายใจเข้าใจมันเป็นแค่คนดูถ้าเมื่อไรเราฝึกจนจิตเราตื่นขึ้นมาใจมันจะทาหน้าที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นเอง เมื่อใจมันเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมามันจะเห็นในร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้านี่มันถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราหรอกเห็นเป็นวัตถุก้อนธาตุกับเพิ่มเข้ากับเพิ่มออกนะร่างกายที่พองที่ยุบก็ไม่ใช่เราร่างกายที่ยกที่ย่างที่เหยียบก็ไม่ใช่เราร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนก็ไม่ใช่เราเห็นประณีตลึกซึ้งต่อไปอีกความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยก็ไม่ใช่เราความโลภความโกรธความหลงความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็ไม่ใช่เรานะ จะเห็นไปเรื่อยแล่ทุกๆสภาวะที่จิตรู้ด้วยจิตตั้งมั่นจิตตื่นจิตเป็นกลางเนี่ยมีหลายสำนวนอันเดียวกันก็คือจิตมันตื่นขึ้นมาจิตมันตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิขึ้นมาสภาวะทั้งหลายแหล่ที่สติไปะระลึกเข้าในขณะที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานอยู่เนี่ยสภาวะทั้งหลายทั้งปวงจะแสดงไตรลักษณ์ ท, ทันทีเลยนะไม่ใช่ดูกายวันนี้แล้วปีหน้าเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ช้าเกินไป ก็เห็นเป็นปัจจุบันในร่างกายที่กําลังยืนเดินนั่งนอนนะเป็นแค่วัตถุเคลื่อนไหวไปค่้าคล้ยหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกระดุกระดิกไปเท่านั้นเองไม่มีตัวเราในร่างกายนี้ไม่มีตัวเราในความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเฉยไม่มีตัวเราในความโลภความโกรธความหลงเวาลวาเราโกรธนะค่อยสังเกตดูพอความโกรธเกิดขึ้นลองรู้ไปที่ความโกรธแต่ใจอย่าไปเพ่งใส่นะใจรู้เฉยเฉยเราจะเห็นเลยความโกรธไม่ใช่ตัวเรา เป็นความรู้สึกที่ผ่านมาผ่านไปเท่านะั้นแต่ถ้าใจเราถลําลงไปนะก็เพ่งกลายเป็นการเพ่งแต่ถ้าความโกรธดันขึ้นมาแล้วมาคลุมจิตได้นะจิตถูกย้อมจนจิตโกรธไปด้วย น, ะนี่สภาวามีหลายแบบนั่นแต่ความโกรธปุดขึ้นมาเราสักว่ารู้ว่าเห็นเราจะเห็นว่าความโกรธไม่ใช่เราหรอกจิตที่ไปรู้ความโกรธก็ไม่ใช่เราร่างกายที่กาลังแยกเขี้ยวยิงฟันอยู่ก็ไม่ใช่เรานะเห็นไม่มีเรา ถ้าบางทีเห็นความโกรธผุดขึ้นแล้วไปเพ่งใส่ความโกรธความโกรธหดลงไปนิ่งๆอยู่จิตไหลตามลงไปอันนี้คือการเพ่งไม่เกิดมิปัสนานะอีกแบบหนึ่งความโกรธเกิดขึ้นรู้ไม่ทันนะความโกรธล้นขึ้นมาดันขึ้นมาสังเกตไหมเวลาโกรธมันโกรธมาจากกลางหน้าอกเสร็จแล้วมันโกรธขึ้นหัวเรียกว่าเลือดขึ้นหน้าลองไปดูนะเวลาโกรธนะมันขึ้นมาจากกลางหน้าอกนขึ้นมาจากลิ้นปีนี้ใครรู้จักลิ้นปีบ้าง บางคนบอกไม่รู้หรอกปีเป็นยังไงยังไม่รู้เลยไม่ใช่ปีจริงๆนะลิ้นปีอยู่ตรงนี้กลางหน้าอกเนี่ยกิเลสเวลาโผล่โผล่ตรงนั้นแหละโทสาราค่าอะไรผุดก็ผุดตรงนั้นแหละปีติสุขอะไรเวลาผุดก็ผุดตรงนั้นแหละปิติสุขทางใจนะถ้าปีติปีติมทางใจแต่ถ้าความสุขเนี่ยถ้าความสุขทางร่างกายมันไปเกิดได้ตามร่างกายความทุก ทางร่างกายไปเกิดที่ร่างกายส่วนนั้นส่วนนี้ก็ได้แต่ความสุขความทุกข์ทางใจนะจะเกิดขึ้นตรงกลางหน้าอกเนี่กุศลอกุศลทั้งหลายเวลาเกิดเกิด ข, ขึ้นกลางหน้าอกนีนะ่อย่าว่าแต่แค่นี้เลยเวลาอริยมรรเกิดก็เกิดขึ้นตรงนี้แหลนะเกิดขึ้นตรงไหนตรงหัตยาวัตถุนะถ้าบางคนเรียนตำลานะหัตถรูปหัตถาวัตถุบอกอยู่ในหัวใจไม่อยู่หรอกนั่นพูดไปอย่างนั้นเองได้ยินว่าหัยะอะไรนึกว่าหัวใจจริงๆ จ ร, จ, รจริงมันตรงไหนกิเลสผุดขึ้นตรงไหนตรงนั้นเรื่องอัตยวัตถุอัตยรูปผุดขึ้นมาตากกลางอกดูอกของจริงนะไม่ต้องเฉียงกันนรอกถ้าเรียนปริยัติจะบอกอัยรูปอยู่ในหัวใจมีสีด้วยนะมีน้ําเลี้ยงหัวใจสีน้นสีนี้มันไม่มีจริงหรอกเป็นกรสินคนโบราณเล่นกสินแล้วก็ดูแสงดูสีเป็นสั ญ, ญลักษณ์เพื่อจะมาดูว่าจิตเขาเป็นยังไงถ้าไม่ได้เล่น ที่ไปจักสุไม่ได้เล่นกระสินไม่เห็นสีนั้นดูกิเลส ท, ที่ผุดขึ้นมานกิเลสโผล่ขึ้นมารู้ทันกุศลโผล่ขึ้นมารู้ทันสุขโผล่ขึ้นมารู้ทันทุกโผล่ขึ้นมารู้ทันอย่าจ้องเอาไว้ถ้าจ้องไว้ไม่ได้ค่อยๆฝึกขอเราไปอย่างนี้นะเจ็ดวันเจ็เดือนเจ็ดปีหัดดูไปเล่นๆดูไปด้วยใจที่รู้ตื่นเบิกบานไม่ใช่ใจที่หลงที่ไหลค่อยๆฝึกไปเราไม่นานก็จะเข้าใจธรรมะขึ้นมา ว่าจริงๆตัวเราไม่มีจริงๆสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือรูปกระนามเป็นทุกล้นๆนเลยนะถ้าเห็นอย่างนี้ก็เป็นพระ ร, าหารนะหันนะเชิญไปทานข้าว